บทนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมาฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปได้กล่าว ม, มาในวันก่อนได้ ว, ว่าพวกมานกทั้งสิบหกคนที่มาฝ้าพระพุทธเจา้ามักแกเรียกพระพุทธเจ้าว่าผู้เป็นสักกะกรรมสักกะ พระโบราณอาจารย์ได้ให้นิยามความหมายไว้เป็นสามตอนด้วยกันตอนแรกพร ะ, ระพุทธเจ้าทรงสมบูรณ์ด้วยทรัพย์อันประเสริฐเป็นเหตุได้ได้ชื่อว่าสักกะทรัพย์นั้นท่านเน้นไปที่ตัวกุศลธรรมทั้งหลายเริ่มต้นจากอริยทรัพย์ที่ได้กล่าวมาแล้ว และในขณะเดียวกันก็ยกเอาพวกกุศลธรรมกลุ่มโพธิปกักเยธรรม37ประการว่าเป็นทรัพย์ที่ทำให้เกิดความปลื้มใจแก่ผู้ประพฤติปฏิบัติโพธิปกักเยธรรม37ประการนั้นก็คือหลักปฏิบัติที่สรุปรวมในอริยมรรคในองค์8ประการ เป็นข้อที่นำผู้ปฏิบัติให้เข้ า, ขาถึงความบริสุทธิ์หมดจดในชั้นต่างๆจนถึงบริสุทธิ์หมดจดอย่างสิ้นเชิงไม่มีเครื่องซับหมองใดๆจะแพร่ผ่านได้นั่นก็คือคุณภาพจิตของพระริเจ้าระดับพระอาหารหันต์ข้อที่น่าศึกษาก็คือว่า แต่ละข้อนั้นแม้จะแยกกันในตอนต้นแต่จะรวมกันในตอนสุดท้ายโดยเดินไปเข้าสู่ครองของอริมักทั้ง8ประการดังกล่าวท่าเริ่มต้นด้วยสติปัฏฐานทั้ง4ประการที่กำลังศึกษาและกำลังปฏิบัติกันอยู่เรื่องของสติปัฏฐานทั้ง4ประการ น, นั้นเื่องข้อปฏิบัติในลักษณะรวบยอด เราะอส่วนสำคัญของชีวิตมาไว้ในสติปัฏฐานทั้งหมดไม่ว่าเราจะเรียกว่าเป็นเรื่องของขันธ์ห้าหรือว่าเป็นเรื่องของกายกับจิตหรือกุศลนธรรมอกุศลนธรรมและปะยากตะตัธรรมล้วนแล้วแต่สรุปรวมอยู่ที่สติปัฏฐานทั้งสี่ประการแต่ในการศึกษาปฏิบัตินั้น ต้งสังเกตว่าเราสามารถจะเรียนจากจุดใดจุดหนึ่งแล้วก็เจาะลึกลงไปในจุดนั้นสามารถที่จะหนวยผลสูงสุดได้ไม่ว่าจะเริ่มจากกายหรือเวทนาหรือจิตหรือธรรมก็ตามในส่วนของกายเราก็เรียนกันหลายชั้นชั้นหนึ่งก็เป็นเรื่องชีวิตปกติธรรมดา เรียกว่เรียนในชั้นของศีลธรรมจัร ญ, ญามองบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตนวัตภาพร่างกายของเรานี้มีมารดาบิดาเป็นแหล่งเกิดจเจริญมาด้วยอาหารการเลี้ยงดูบำรุงของท่านผู้เป็นมารดาบิดาระดับที่ก็สอนให้เกิดความสํานึกคุณมีความกตัญญูกตวเวทีต่อบุปการีของตน มาถึงอีกชั้นหนึ่งก็สอนให้เกิดจิตสำนึกที่ให้บุคคลเรียนจากตัวเองเป็นฐานในการดำรงชีวิตทีต่เรียกว่าอาตัตตัญญาตาเกิดรู้จากตนโดยฐานะโดยหน้าที่โดยกิจการงานโดยการที่เกี่ยวข้องกับคนกับสิ่งต่างๆเป็นความคิดระดับระดับศีลธรรมจัญญาเช่นเดียวกัน เราจะมองมาในสายของศีลก็เริ่มต้นจากความเข้าใจตัวเองพเรารักสุขไม่ต้องการความทุกข์ช่นใดแม้คนอื่นสัตวอื่นก็รักสุขไม่ต้องการความทุกข์เช่นเดียวกันชั้นนั้นเพระจิตสานึกเกิดขึ้นได้เช่นนี้ก็่อให้เกิดความเข้าใจตนเองและเข้าใจบุคคลอื่นเวลาต้องปฏิบัติเกี่ยวข้องกับคนอื่นกษัตริย์อื่นก็จะมีความระมัดระวัง ไม่กระทบกระทั่งสิ่งอันเป็นที่รักที่พอใจของบุคคลทั้งหลายที่ทรงจาแนกออกมาเป็นรูปของศีลซึ่งเ ป, เ, ปเป็นการทำลายประโยชน์ของบุคคลดอกอื่นในชั้นของการดำรงชีวิตว่าทรงสอนให้มองที่กายซึ่งจะเจริญเติบโตโดยอาศัยปัจจัยต่างๆที่สรุปรวมว่าเป็นอาหาร หรือบางครั้งก็สรุปรวมเป็นเรื่องของปัจจัยสี่ชีวิตของบุคคลโดยพื้นจิตมักตกลงไปสู่กระแสของตันหาที่สรงใช้คำว่าเป็นธาตุของตันหาไม่สามารถจะรู้จักอิ่มรู้จักพอรู้จักเต็มได้แต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องอยู่ทำอย่างไรจึงอยู่อย่างอิสระ ให้ถูกครอบงามด้วยอำนาจกิเลสตัณหาที่รุนแรงในชั้นองการมารองปัจจัย4ี่ก็ทรงสอนให้ใช้ปัญญาปินิจเปรียญนาเช่นเดียวกันโดยมองเห็นว่าปัจจัย4นั้นเป็นความจําเป็นเป็นเครื่องอาศัยของชีวิตถ้าชีวิตอาศัยปัจจัย4ี่ได้โดยไม่เดือดร้อนก็ถือว่าสําเร็จประโยชน์และบุคคลพยายามศึกษาให้เข้าใจถึงประโยชน์ จริงๆที่เราจะพึงได้จากปัจจัยสีต่อนั้นเช็นว่าเสื้อผ้าเครื่องนุง่งห่มวัตถุประสงค์ก็คือปกปิดอวัยวะที่ควรปกปิดป้องกันอันตรายจากธรรมชาติอันตรายจากสัตว์ต่างๆเพื่อรักษาร่างกายเอาไว้ไม่ให้เกิดทุกพลภาพเปลี่ยนแปลงมีอันตรายาเครื่องนุง่งห่มถ้าสามารถอำนวยประโยชน์เหล่านั้นได้ก็ชือว่าสำเร็จประโยชน์ ในรูปแบบเหล่านี้พระพุทธเจ้าก็ทรงวางกฎเอาไว้สัะปูที่ข้าวมาบวชโดยให้มีเครื่องใช้ไม้สอยเท่าที่จำเป็นจริงๆแล้วก็เป็นรูปแบบของชีวิตเป็นตัวอย่างให้เห็นป่าท่านเหล่านั้นก็เป็นคนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งซึ่งก็มีกิเลสมีตัหาเช่นเดียวกับบุคคลทั้งหลายแต่พอเกิดจิตสำนึกขึ้นมาได้ก็ควบคุมตัวเองได้แล้วก็อยู่ได้โดยปัจจัยตามมีตามได้ โดยสงสร้างขึ้นเป็นรูปชีวิตยังสามารถคิดและมองเห็นได้เป็นตัวอย่างได้แม้ในเรื่องของอาหารเรื่องที่อยู่อาศัยเรื่องยาแก้ไข้ก็ให้มองในลักษณะเช่นเดียวกันท่านี้เพราะอะไรเพราะว่าต้องการให้คนอยู่เป็นสุขตามปัจจัยที่เกิดขึ้นมีขึ้นอาจจะมากไปหรืออาจจะน้อยไปหรือพออยู่ได้ แต่ว่าจิตใจของบุคคลไม่ควรจะเดือดร้อนเปลี่ยนแปลงเพราะความเปลี่ยนแปลงของปัจจัยมากเกินไปและการควบคุมในแนวนี้ก็ออกมาในรูปของศีลธรรมจรญญาที่จะให้การสแสวงหาปัจจัยสีของบุคคลอยู่ในกรอบของสมาชีพอย่าล้ำเส้นกฎหมายล้ำเส้นศีลธรรมออกไปตอนนี้เป็นไปเพื่อความสวัสดีของบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติแต่ละคนพอมาถึงอีกชั้นหนึ่ง ก็เป็นเรื่องการมองในแนวที่ให้รู้จักภาระหน้าที่ของตนในขณะนั้นๆโดยสายหลักคืออัตตันยุตตาการปฏิบตัติตันในเหมาะสมกับเพศกับผลกับบุคคลกับกาลกับเทศะพอสันฐานประมาณไม่มากเกินไปแต่ไม่น้อยเกินไปที่ท่านเรียกว่ามัดตันยุตตาคือรู้จักประมาณแม้จะช่วยเหลือคนอื่นก็ต้องช่วยพอประมาณ แต่ทำความเพียรพยายามเพื่อฝึกกายฝึกจิตของตนเองก็ต้องพอประมาณไม่หย่อนไปและไม่ตึงไปที่เราเรียกว่าเป็นทางหลักสายกลางการมองในแนวนี้เป็นการมองแนวเพิ่มกุศลความดีขึ้นไปโดยทํลำดับและจากจุดการมองหน้าที่นี้เองก็ให้พิจารณาดูว่าบัดนี้เราเป็นอะไร เรามีหน้าที่ภารกิจจะต้องทำอะไรและหน้าที่ภารกิจเหล่านั้นเราได้ทำถูกต้องเหมาะสมแก่การะแก่ฐานะของเราหรือไม่แล้วในขณะที่วันคืนผ่านไปผ่านไป เ, นเรากำลังทำอะไรอยู่คือสิ่งที่กระทำนั้นเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่เราหรือว่าเป็นการเบียดเบียนเราเป็นต้นนี่ก็สอนให้พิจิตพิจารณาในชั้นนี้จะพบว่า เมื่อบุคคลพิจิพิจารณาแล้วบุญศนธรรมก็จะเกิดขึ้นเรียว่าพิจารณาในสายของมรรคสัจอาศัยโครงสร้างของมรรคสัจมีปัญญาเป็นตัวนำพิจารณาแต่พิจารณาแล้วเพิ่มความดีขึ้นไปแต่ว่าร่างกายเราไม่ได้ใช้ไปเฉพาะสายนี้เพียงสายเดียวใช้ไปในสายที่จะให้เกิดความเข้าใจถึงสภาวะ ลึกลงไปกว่านั้นประามปกติแล้วใจของคนสัตว์ทั้งหลายนั้นจะมีความกำหนัดมีความยึดติดมีความเพลิดเพลินจนถึงกระลุ่มหลงในร่างกายของตนเองมีความเปลี่ยนพยายามที่จะปลนปลื้ร่างกายกันด้วยวิธีการต่างๆโดยเครื่องประดับตกแต่งของประกอบจากภายนอก และด้วยการบริหารร่างกายในรูปแบบต่างๆเป็นต้นเพื่อรู้สึกว่ามีความสวยความงามเป็นที่ตั้งแห่งความกำนัดเพลิดเพลินดีของตอนเองและบุคคลอื่นจนทำให้เวลาของชีวิตเป็นนันมากต้องสูญเสียไปเพราะปรนปรืปปปปตอตนเองพระพทเจ้าก็มาสอนให้มองในลักษณะถ่ า, ายถอนผ่อนคลายความกำนัดความยึดติดเพลิดเพลินในร่างกายแต่การสอนนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่า จะพูดกันในชั้นไหนคนจะเข้าใจได้ระดับใดก็จะสอนกันในระดับนั้นนั้นางครั้งก็มองให้เห็นว่าร่างกายนี้ไม่มีสาระเพื่อบุคคลสแสวงหาสาระจากสิ่งที่ไม่มีสาระเหมือนกับบุคคลอาศัยเรือเรือใสเรือนเรือกำลังจมหรือเรือนกำลังที่ถูกไฟไหม้เราแก้เรือไม่ให้จมไม่ได้ แก่เรือแม่ถูกไฟไหม้ไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันเราก็สามารถเอาของจากเรือที่กำลังจะจมออกมาได้เอาของจากเรือนที่กำลังจะถูกไฟไหม้ออกมาได้เพื่อให้บุคคลพยายามเสริมสร้างสิ่งที่เป็นสาระแกนสารของชีวิตโดยไม่ไปยึดติดกับหนัดเพลิดเพลิอ น, พอนอยู่ในร่างกายตนเองเดีวสอนในชั้นนี้บางทีก็ง่ายไปยากไป แต่บาบุคคลบางคนในชั้นของการตกแต่งปรนปลือร่างกายนั่นเองก็ทรงหักให้บุคคลมาคิดถึงความงามที่มีอยู่หลายชั้นแต่บางทีถ้าพื้นๆ้นก็เล่าเป็นเรื่องของนิทานเช่นเล่าถึงเรื่องปัญญาของมขรคมานตสีคน สคนแรกพยายามทําความดีตามสามีของตนทุกเรื่องสามีทําความดีอย่างหนึ่งตนก็จะหาประโยชน์ในการทําความดีที่เกี่ยวข้องกับสามีแต่ในสุดเมื่อตายไปแล้วสามีก็ไปเกิดเป็นท้าสกะเทว ร, ราชปัญญาสามคนก็ไปเกิดเป็นมายสีของท้าสกะเตว ร, ราชด้วยผลบุญที่ทําในลักษณะใกล้เคียงกันแต่ปัญญาคนหนึ่งถือว่าเมื่อสามีทําตนเองก็ชื่อว่าทำ ก็ปรนปลือตัวเองประดับประดาตกแต่งร่างกายตัวเองให้เป็นที่ชื่นชมพอใจของสามีในเรื่องของรูปธรรมรูปธรรมนั้นปรากฏว่าปรนปลืออยู่ได้ในช่วงของชีวิตกเป็นการปรนปลือได้เพียงช่วงหนึ่งต่อไปก็ไม่สามารถที่จะตกแต่งให้สวยงามขึ้นมาได้เมื่อแกง่อมพระชราตายไปแล้วก็ต้องไปเกิดเป็นนกกระยาง จนต้องมีการช่วยเหลือเปลี่ยนแปลงเพิ่มกุศลขึ้นไปโดยดำดับเปลี่ยนแปลงสภาพชีวิตไปโดยดำดับจนถึงสามชาติจึงได้สามารถติดตามขึ้นร่วมสามีของตนไปเกิดในสถาไปอยู่ในสถานที่เดียวกันได้นี่ก็ที่จริงก็เป็นการเรียนจากกายเพื่อมีความเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางกายของบุคคลพูดถึงความสวยงามอย่างพูดถึงความสวยงามอย่างติดที่ความสวยงามอยู่ แต่ว่าพราะกายกับจิตนั้นมีความเกี่ยวข้องกันเทนที่จะให้ปรนปรือปรุงปรุงแต่งประดับประดาเฉพาะร่างกายไว้ปรนปรือปรุงแต่งประดับประดาในส่วนของจิตพอถ้าจิตใจงามแล้วแม้ร่างกายจะไม่งามก็ชื่อว่างามเนื่องจากความงามที่ยอมรับนับถือกันเป็นสากลมีอยู่ถึงสี่ชั้น อย่างแรกเป็นความงามโดยการประดับประดาตกแต่งร่างกายที่เหมาะสมแก่ส่วนทรงรูปร่างสถานการณเทศะและความนิยมของคนในยุคในสมัยนั้นๆในสถานที่นั้นๆหรือแม้ในกรณีนั้นๆมีรายละเอียดมากแต่เอาควาจริงแล้วช่วงระยะเวลาที่ให้งามจริงๆน้อยซึ่งเป็นความนิยมของชาวโลกที่ยึดถือประพฤติปฏิบัติกันอยู่ในปัจจุบันเห็นว่าแต่งชุดนี้ไปงานนั้นแต่งชุดนั้นไปงานนี้แต่งชุดน้นไปงานน้น แต่ว่าจริงแล้วการงามอยู่ได้ไม่กี่ชั่วโมงก็ต้องเปลี่ยนแปลงต้องบุ้นปายเดือดร้อนด้วยกับเรื่องเหล่านี้ท่านจึงไม่สนใจความงามในชั้นนี้ความงามในชั้นที่สองเป็นความงามในร่างรูปรู ป, ร, ปร่างสูดทรงซึ่งเป็นที่ต้องการปรารถนาของบุคคลทั้งหลายระดับหนึ่งแต่ก็ต้องสอนให้เห็นว่าแต่ว่ า, า, วาจิตใจไม่งามมันก็เป็นความงามแบบนกอย่าง ตามที่เล่าเรื่องประวัติของนางสุชาดาเป็นความงามที่อาจจะอยู่ได้ช่วงหนึ่งระยะเวลาหนึ่งเป็นที่ยอมรับของคนกลุ่มหนึ่งหรือบุคคลคนหนึ่งหรือแม้คนอื่นไม่ยอมรับตนเองก็ยอมรับแต่สรุปแล้วก็อยู่ไม่ได้กันพุทธเจ้าก็สอนความงามในชั้นที่จะเปลี่ยนแปลงได้ เรื่องรูปร่างกายนั้นเป็นเรื่องรูปธรรมนามาทำการตกแต่งร่างกายเป็นเรื่องเกษตรกรเรื่องของสังคมมีเงื่อนไขามากมายแต่ไม่พร้อมที่จะทําก็ทําไม่ได้ก็มาสอนความงามในด้านการประดับประดาร่างกายด้วยมัน ญ, ญาติด้วยศีลด้วยระเบียบปฏิบัติที่เราเรียวกว่ามีสมบัติพูดดีรู้จักวางตนให้เหมาะสมตอนหยาบๆก็คือเรื่องของศีรษะที่สอน แต่พอต่อจากนั้นก็จะเน้นไปเรื่องมัญญาการเคลื่อนไหวของอเริยาบทไม่ว่าจะเป็นการพูดหรือการเคลื่อนไหวต่างๆการนั่งการยืนการเดินการลุกจะเป็นไปในลักษณะที่ก่อให้เกิดความศรัท ธ, ธาเลื่อมใสแก่บุคคลทั้งหลายเป็นความประทับใจเป็นความสวยงามนี่ก็คือเรียนมาจากร่างกายแต่ก็พยายามปรับปรงุงเปลี่ยนแปลงร่างกายให้เป็นที่ยอมรับนับถือของบุคคลทั้งหลาย แต่เพื่อให้อาการทางกายทางวาจาเป็นไปได้ด้วยดีเพราะการแสดงออกทางกายวาจานั้นมันก็มาหยุ่มาจากจิตเน้นมาจากจิตก็สงสอนเรื่องจิตให้บุคคลมีพื้นฐานความคิดที่กรอบด้วยขันติธรรมคือความอดกลั้นทนทานต่อสิ่งต่างๆอย่างในกรณีนี้ก็คืออดกลั้นต่ออารมณ์ทั้งไลที่มาจากข้างนอก อดทนต่อความคิดของตนเองที่เป็นอุปสรรคต่อความสงบเรียบร้อยสวยงามก็พยายามที่จะควบคุมใจของตนออกไว้อาจจะนึกอยากจะทําอย่างนั้นอย่างนี้แต่ก็มองเห็นว่าไม่ถูกแก่กาลเทศะขณะที่ตนกำลังบําเพ็ญเพียรอยู่กองดเว้นไม่ประพฤติกแก่ธรรมกรณีผู้ เ, เห็นตัวอย่างเช่นเวลาที่ต้องการความสงบโดยการฟังธรรมโดยการปฏิบัติสมาธินั้น ทุกคนมุ่งมาเพื่อความสงบเราเองก็มุ่งมาเพื่อความสงบจะต้องไม่มีการกระทําเคลื่อนไหวทางกายหรือทางวาจาในลักษณะที่เป็นการทําลายความสงบของตนเองหรือของบุคคลอื่นแม้บางครั้งคิดจะทําอย่างนั้นคิดจะพูดอย่างนี้จะคิดยังไงก็ตามต้องอดกลั้นทนทานต่ออารมณ์เหล่า น, นั้นความคิดที่อยากจะพูดอยากจะทําเอาไว้ได้ก็จะกลายเป็นคนที่งามเพรนี้มันสังเกตว่าถ้าเกิดเป็น การกระทำที่ขาดระเบียบปินัยขาดการควบคุมตัวเองปรากฏในที่ประชุมมากๆ ก, ก็กลายเป็นเป้าสายตาที่บินยูยชนทั้งหลายก็ตำหนิแต่นคนไม่รู้จักการละเทศะไม่รู้จักกา ร, ป, รปฏิบัติตนให้เหมาะสมแก่ฐานะเทศะนั้ น, น, น, น, นการปฏิบัติในแนวนี้ในแนวชั้นสีนั้นถึงสังเกตว่าบางอย่างมันก็ห้ามเฉพาะในที่หนึ่งเท่านั้นเอง เรที่หนึ่งก็ไม่ห้ามโดยเฉพาะในชั้นที่ท่านเรียกว่าบรรยาต์สมุนบลีท่นานใช้คำว่าอภิสมาจาร์คือกริยาบรรยาต์ที่ควรประพฤติวางตนให้เหมาะสมกับกลุ่มคนกับบุคคลกับสถานที่กับกาละแต่ถ้าเราอยู่เป็นเอกเทศของเราจะนั่งยังไงจะยืนยังไงจะนอนยังไงก็ไม่ว่าอะไรเพราะไม่ได้ควบคุมเอาไว้ไม่ได้ปลุกพันกับบุคคลอื่น แต่นั้นในจิตสำนึกที่จะคุมความรู้สึกของตนเอาไว้ด้วยขันติธรรมก็ดีอโสรัจจะคือความสงบสงเสงียมอันพิสูจน์ถึงผลที่เกิดขึ้นจากความอดกลั้นทนทานของบุคคลก็ดีนั่นยังเป็นธรรมะที่ทำคนนงดงามอาจจะปวดอาจจะเมื่อยอาจจะกระสับกระส่ายแต่เป็นการพิสูจน์ตัวเอง ควาสามารถอดกลั้นทนทานต่อสิ่งเหล่านี้ได้หรือไม่เพราะยังไงยังไงร่างกายคนก็ประกอบด้วยขันธมารที่คอยเบียดเบียนคอยขัดขวางคอยตัดรอนรอยู่ตลอดจะไานั่งครั้งหนึ่งแล้วมันก็ปวดพลิกไปอีกมันก็ปวดอีกก็ต้องพลิกกลับไปกลับมาอย่างนี้ดังนั้นบางครั้งก็ต้องทนเอา แต่ในกรณีของการทำสมาธิเพื่อต่อสู้กับกิเลสเราจะเห็นว่าประเภทไปความเจ็บปวดที่เป็นขันธมามเนจะนำมาก่อนพรวิริยะคือความเปลี่ยนอ่อนให้สุดนั่งน้อยเดียวปวดเมื่อยนะ่ะต้องลุกขึ้นรู้สึกเป็นห่วงร่างกายได้เกินแต่แท้จริงแล้วเรามาต้องการควบคุมจิตใจ ไปห่วงใหญ่กิดร่างกายกลัวจะปวดกลัวจะเมื่อยกลัวยุงจะกัดกลัวอะไรไปสารพัดในที่สุดมันก็ต้องไหลไปตามความต้องการของร่างกายและการทามาเหล่านี้มันก็แสดงออกมาได้ดรืยๆดั ง, งนั้นเวลาทําความเพียรในลักษณะที่เอาจริงเอาจังพระพุทธเจ้าเองทรงธรรมและทรงสอนภาษาวกในบางท่านถึงแทบมีปัญหาที่ตัวความเพียรของท่าน ตัวนก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ความเพียรมันหย่อนพอปวดพอเมื่อยเขาน่อยหนึ่งพอหนาจัดร้อนจัดเขาน่อยหนึ่งพอหิวเขาน้อยหนึ่งท่านเปลี่ยนแปลงไปแล้วพระพธจ้าก็ต้องเล่าถึงการกระทําของพระองค์ที่จนจัดสรู้ได้เนี่ยท่านนี้เป็นเพราะอะไรพระยกพระองค์ขึ้นมาเป็นตัวอย่างนั้นคนชื่นชมในความสําเร็จของพระพุทธเจ้าชูและปรารถนาที่จะใกล้ชิดพระพุทธองค์ ด้วยคุณธรรมความดีอย่างที่พระองค์ทรงมีและทรงแสดงไปเมื่อได้ฟังหลักการปฏิบัติจนเกิดผลมานลักษณะนั้นก็ทำให้คนเกิดความกระตือรือร้นมองพิจารณาเทียบเคียงกับการกระทาของตนว่าเอากิงศาสดาเรานั้นปรารบความเพี่ยนจนกระดูกจะแหลกเลวไปเรามาเจอขนาดนี้ยังอ่อนไหวแล้วยังทนทไม่ได้แล้วเราจะเดินใกล้ชิดกับศาสดาเราได้ยังไง ลักษณะเหล่านี้ท่านเรียกว่าปรึกษากับกะรัชกายคือคิดเองไม่ต้องใครสอนจิตสำนึกมันเกิดขึ้นมาเองนั่นก็คือลักษณะอะไรลักษณะของสติสัมปชัญญะที่แทนที่จะไปมองตรงอื่นก็มามองที่ตัวเองสรวจสอบแก้ไขปรับปรุงตัวเอง การพิจารณาเหล่านี้อาจจะพิจารณาจากภายนอกเป็นตัวกระตุ้นหรือพิจารณาจากสถานะของตัวพิจารณาจากอารมณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้ น, น, นก็ได้แต่ต้องมีความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเพราะประาศาสดาของเราเมื่อทรงบําเพ็ญเพียร น, นั้นไม่ใช่สาธุแบบง่ายๆแบบใครโดนบรรดาเราให้แต่แท้จริงแล้วเป็นความเพี่ยนพยายามที่ลองผิดลองถูกมาโดยลำตาก พระบทเจดสัสรู้ก็สรงอธิษฐานพระไถ่ว่าแม่เลือดเนื้อในกายของเราจะเกิดแท้งไปยังเหลือแต่นังเอ็นกระดูกก็ตายแต่กว่าไม่จัด ส, าสารู้ก็จะไม่ลุกขึ้นและไม่พลิกคือนั่งโดยไม่พลิกและไม่ลุกขึ้นด้วยร่างกายมันจะแตกมันก็แตกไปแต่ใจจะยอมไม่ยอมกระสรับกระส่ายไปกับทุกขเวทนาเหล่านั้นลักษณะเหล่านี้ก็คือการยกจิตขึ้นเหนือทุกที่กำลังเผชิญอยู่ซึ่งเราก็ใช้ในกรณีต่างๆ แต่ว่าเกิดปวดหัวปวดท้องเกิดไม่สบายขึ้นมาตามปกติแล้วเรื่องของโรค ก, ก็คือเรื่องของโรคมันเสียดแทงได้เท่าไหร่ก็ปล่อยมันเสียดแทงเท่าที่มันเสียดแทงได้ใจเราต้องไม่ไปเดือดร้อนคือใจอย่าไปปวดด้วยเพราะใจไม่ได้ปวด่วยมันกายมันปว่วยกายมันเจ็บกายมันเมื่อยก็ปล่อยก็มันให้ถึงที่สุดคือทนให้ได้ถึงที่สุดใจก็ปล่อยเฉย ถึงข้อนี้จะพบว่าบางครั้งมันก็เฉยเยได้แต่ส่วนใหญ่มักจะไปเฉยเฉยด้วยแรงของกิเลสแทนที้จะเป็นแรงของอิติบาทคือฉันทวิริยะจิตตวิมังสามีความพอใจในกุศลนธรรมเพียนพยายามไปในกุศลนธรรมจริตใจมุ่งมั่นในกุศลนธรร ม, มใช้ปัญญาพิจารณาอยู่ในกุศลนธรรมยกตัวอย่างเช่ยความอดทนกระทาในสิ่งที่เราชอบเราเพลินเราก็อยู่ได้ บางทีคนก็เล่นไพ่โดยไม่พลิกเลยสว่างคาตาก็เล่นได้นี้แสดงเห็นว่าจิตใจมันเพลินด้วยอำนาจของความโลภโลภที่จะได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆหรือบางครั้งทำงานบางอย่างอาจจะถักเสือ้อถักผ้าเย็บผ้าหรือเขียนหนังสือหรือทำงานอะไรก็ตามที่ทำไปด้วยความเพลิดเพลินบางก็ข่มเวทนธนาโดยไม่สนใจในทุกเเนาที่เกิดขึ้นได้ เวลาปฏิบัติธรรมแล้วก็ต้องมีธรรมฉันทะคือความพอใจในธรรมมีความเพลิดเพลิน ม, มีความยินดีในธรรมในทุกเวทนาที่มันเกิดขึ้นมันเกิดเท่าที่มันเกิดใจไม่ยอมเข้าไปปรุงไปรับรู้อะไรมันตัวอย่างที่บอกไปแล้วว่าแม้จะพลิกไปพริกมามันก็ปวดอยู่นั่นเองถ้าอดกลั้นทนทานเอาไว้มันก็กลายเป็นความสวยงามความเรียบร้อย นี่ถือว่าลงมาในแนวลึกในแนวระดับในนั่งสมาธินั่งกรรมฐ า, านแต่แม้แต่การปฏิบัติระดับทั่วไปในชีวิตประจําวันที่เราบอกคนที่มันลุกหลิกคือนั่งไม่นิ่งลุกหลิกเร่แสดงอะไรแสดงเห็นว่าขาดความอดทนขาดความสงบสุขเงียมขาดความเรียบร้อยก็กคอยเกิดขาดความสวยงามแม้ในขณะนั้นจะตกแต่งร่างกายมาสวยงามรูปร่างหน้าตาสวยงาม แต่ว่าหลูกหลิกภาพที่ปรากฏแก่สายตาของบุคคลอื่น<ม>ก็กลายเป็นภาพที่ไม่ควรแก่การชื่นชมยินดีเพราะคนเราเวลามองมันก็ไม่ได้มองจุดใดจุดหนึ่งโดยเฉพาะก็มองไปเรื่อยๆแล้วถ้าสร้างปัญหาให้สะดุดมันก็สะดุดถ้าไม่มีสิ่งให้สะดุดใจมันก็เดินไปด้วยอำนาจของความชื่นชมยินดีได้ ในการมองเรียนจากร่างกายนั้นร่างกายจึงเป็นตู้พระธรรมมาขึกมาที่เรียนกันไม่จบเราจะเรียนแนวของมัคคสัตต์มุ่งพัฒนาเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นเรียนแนวของสมุทัยศาสตร์มุ่งลดละอาการกริยาที่ไม่เหมาะสมจนถึงกับพวกกิเลสที่เป็นเหตุให้ประพฤติกระทาอย่างนั้น รืเรียนในแนวของทุกข์สัตว์ที่มุ่งให้บุคคลเข้าใจถึงสภาวะที่แท้จริงของร่างกายจะมองรวมๆให้เห็นความไม่สวยไม่งามของร่างกายก็ได้หรือจะแยกกิบส่วนต่างๆเข้ามาดูที่มาประกอบกันข้าวเป็นร่างกายที่นเรียกว่าเป็นอาการ32ก็ได้เดีวดูคนที่มีความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปเพราะความแก่งองอมบ้าง เพราะโาครคภัยไข้เจ็บบ้างเพราะประสบอันตรายบ้างก็ด mm hmm. ทำให้เห็นว่าร่างกายไม่ได้คงที่ อ, อะไรก mm hmm. ็เปลี่ยนแปลงง่ายอยู่ตลอดแจะกลายเป็นที่ตั้งแห่งความกําหนัดเป็นที่ยึดถือเป็นมานะอะไรแต่ใด mm hmm. อย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าร่างกายนี้ประกอบด้วยโครงกระดูกรวมสามร้อยตนก่อกันขึ้นแล้วก็ผูกมัดรัดรึงไว้ด้วยเส้นเอ็น จับทาไว้ด้วยเนื้อแล้วก็ปกปิดไว้ด้วยหนังแต่กลับเป็นที่ตั้งของตันหามานะความดูถูกดูหมิ่นในระหว่างกันแลวกันที่จริงส่วนประกอบของร่างกายมันก็คือกันประกอบด้วยดินน้ำลมไฟอากาศคือกันแต่ว่าจะคนจะอยู่ในฐานะอะไรก็ตามแต่คนเอาสิ่งทึ่งเหมือนกันโดยส่วนประกอบ ที่เป็นรูปธรรมมาเป็นที่ตั้งแห่งตันหามานะทิชิมีถือเราถือเขาเป็นเราเป็นเขาเป็นพวกเราพวกเขาสุร ป, ประมาติรูถูกรูหมินกันดังนั้นเมื่อบุคคลรู้แจ้งกายในจุดใจจุดหนึ่งได้ก็สามารถที่จะหาประโยชน์จากกายนี้เองเพื่อเป็นเป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้ดีเพื่อความดับกิเลสได้ตามกำลับบงความสามารถแห่งตนต่อจตกนี้ไปขอให้ตั้งใจทาความสงบสึกต่อไป